กับการปฏิบัติก็มีความก้าวหน้าดีขึ้นจิตแนบแน่นสงบแล้วในวันที่5้าหลังจากที่ได้ฟังท่านเอฟพูดก็มีความรู้สึกผ่อนคลายในการปฏิบัติดีขึ้นนะครับขณะที่กลับไปกระต๊อบที่พักก่อนจะขึ้นบันไดไปประเอเห็นท้องฟ้ามันแจ่มใสมีกลุ่มดาวอยู่ก็เลย เงนขึ้นมองนะครับก็รู้ว่ามันสวยนะครับก็เหมือนปกติที่เห็นเห็นอยู่เวลาดูท้องฟ้าภูเขาดูดาวก็จิตจะรู้สึกอิ่มเอิบนี่มีความสุขนะครับแต่ปั๊บหนึ่งก็มีความรู้สึกกลัวต่อความมืดด้านหลังนะครับที่มีบ้านล้างอยู่ตอนนั้นมันก็เห็นความคิดโผล่ขึ้นมา ในขณะที่เราดูดาวเนี่ครับเหมือนกับเกิดซ้อนขึ้นมาแต่เป็นความกลัวที่ไม่มากเท่าไหร่ครับสักพักมันก็หายไปก็มองดูดาวต่อทีอนี้ก็เห็นดาวมันสวยมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จิตใจมันรู้สึก เ, เปิดโล่งและมีความสุขมันเป็นความสุขที่ ออกมาตลอดเวลาต่อเนื่องก็ยังยังไม่เคยรู้ว่ามีความสุขขนาดนี้อยู่ก็เลยคิดว่าลองนั่งดูสักพักก็ลงไปนั่งเก้าอีอ้ไม้เก่าๆด้านหลัง <c oughs> ความสุขมันก็มีออกมาเรื่อยๆก็ดูไปจนรู้สึกเบาลงประมาณ20สนาทีก็ กลับขึ้นไปนอนวันนั้นก็นอนหลับสนิทมากครับหลังจากนั้นก็การปฏิบัติก็แนบแน่นด้วยดีตลอดนะครับความคิดความคิดลักคิดอะไรที่มันเคยมีวับแบบวบก็แทบจะไม่ค่อยมีนะฮะหนึ่งน้นก็เป็นความคิดปกติก็รู้สึกหลังจากที่ได้ปฏิบัติกับหลวงพ่อมาเป็นครั้งที่3 ประเอินก็โชคดีที่มันก็ค่อนข้างต่อเนื่องเวลยะกันเดือนสองเดือนแล้วก็ได้พยายามปฏิบัติเองที่บ้านนะครับก็รู้ว่าตอนนี้การปฏิบัติคราวนี้เนี่ยมีความชัดเจนก้าวหน้าแล้วก็คิดว่ามามาถูกแล้วครับคือการปฏิบัติเนี่ยเราก็พยายามทำทุกอย่างให้ จิตใจโปร่งเบาสบายไม่พยายามไปทำให้มีสิ่งแกดกีดขวางต่อภายในที่เขาจะเปิดเผยออกมาให้เรารับรู้นะครับแล้วก็จะใช้ฐานกายนี้เป็นเป็นเครื่องอยู่ต่อไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้ทุกวันนะครับก็คงคงจะมีแค่นี้ครับ ชัดเจนครับเห็นเห็นความคิดความคิดบางครั้งก็เห็นเป็นตัวหนังสือเป็นความคิดตามตามที่เราคิดนะครับการตั้งใจจะเคลื่อนไหวบางทีก็เห็นเห็นภาพตัวเราเคลื่อนออกไปไปทำไปหยิบจับไม้กวาดนะครับหรือหยิบจับอะไรความรู้ตัวมันจะตัวรู้นี่มันจะรู้ทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาละครับ ในตัวรู้ระดับรูปนามนะเราเห็นตัวรูปกับตัวรู้สึกของรูปรูปเวทนานะับ็นความปวดแวต่ว ค, วมมแความรู้สึกตัวเหความไม่สบายแต่นนความรู้สึกตัวออกกัชัดเจนครับชัดเจนครับแต่ในในความในตัวรู้รู้สึกนี่มันจะจิตมันจะ เป็นกลางรู้อยู่เฉยๆนะครับมันเป็นจิตที่มีกําลังเพราะนั้นครับคือเวทนาก็รู้ว่ากายมีครับแต่ว่าใจมันก็ส่วนใหญ่จะไม่มีครับนนต้องที่สองเมื่อบางครั้งเกิดนามรู้เกิดตัวคิดขึ้นมาครับเราเห็นระหว่างตัวคิดกับตัวรู้เนี่ยแยกกันชัดแยกชัดครั บ, รบเห็นรู้ความคิด เหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่างวันนั้นที่ที่ดูเครื่องบินเหมือนกันครับมันก็ผมเข้าใจว่ามันมันมันเป็น เ, เห็นอารมณ์นะอารมณ์เศร้าที่เกิดมาเพราะมันเกิดทั้งภาพที่เห็นข้างบนกับในจิตเราด้วยก็เลกระทบเสียงเครื่องบินกระทบปั๊บมันก็นกึกถึงภาพนามร อันนั้นมองมองเห็นภาพเครื่องบินก่อนครับเสร็จแล้วก็มี<ต>ภาพสัญไม่ไม่ได้นึกครับสัญญาภาพหน้าพี่สาวจะลอยขึ้นมาเองนะแล้วหลังจากนั้นก็เห็นเวทนามันเกิดตามมารู้ว่ามีทั้งเวทนาข้างบนกับข้างล่างเหมือนกับความกลัวที่เกิดขึ้น อะ่ก็กามความรู้สึกมันมีสองอย่างในระดับนั้นไม่ทันสังเกตเลยใช่ไหมสังเกตไหอรู้ว่าเป็นเวทนาเป็นความเศร้าครับแต่เราก็ไม่ได้เศร้าตามนี่ยคือรู้ว่ามีความความเศร้าเกิดขึ้นทั้งที่เห็นกับที่ในในตัวเร้ไม่เศร้าตามจิตมันจะเศร้าอะไรอย่างี้คล้ายๆมันมันเป็นเป็นเองของมันแล้วเดี๋ยวก็หายไปเองครับก็ไปครับ เพราะนั้นในระดับร <c oughs> ูปนามเพื่อไ เ, เพื่อจะเห็นตัวรู้กับตัวอาการของรูปเย็นแล้วเราแข็งเคร่งถึงที่ปรากฏในกายนี่ส่วนหนึ่งเพราะนั้นในรูปนามเนี่ยเรารู้เฉยๆแต่มันสามารถจะให้ให้ดับได้ถ้าเราไม่บังบัดมันนะครับ <c oughs> แต่ในส่วนนามรูปคือความคิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเศร้าไม่เศร้าพอใจไม่พอใจกับ ต, ตัวรู้เฉยๆกับอาการ ชาบไมชอบรู้จรูปอดอีกอาการหนึ่งก็ไปดูซั้งสองสภาวะนี้ด้ชัดถ้าแยกไป้ทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งรูปน้ำและน้ำรูปจากการได้ในส่วนนี้ก็เราเราเห็นสภาวะที่เป็นสมุนประมาทได้นะครับการนับกับไปครับโดยอย่างเวทนานี้ก็จะเห็นชัดนะอนี่เวทนากายตอนนี้จิตไม่มีบางครั้งมันมันมีอย่างปวดหลัง ก็รู้ว่ามีเวทนาทางใจเกิดขึ้นตามมันมันจะชัดเจนแยกกันอยู่ทอนี้ถ้าตัวรู้เรารู้ชำนาญแล้วนี่ตามแยกระหว่างตัวรู้กับอาการของรูปคือเวทนาในอาการของรูปนะแล้วก็ตัวคิดอาการของคิดเราเห็นตัวรู้เฉยๆกับตัวที่มันกาลังคิดก็พยายามถ้าแยกระหว่งวางเวทนากับกายเป็นแล้วก็ต้องไปแยกกับ จิตกับความคิดออกกันจิตคือตัวรู้ความคิดคือสภาวะที่มันปรากฏขึ้นมาก็ไปเห็นตรงนี้แยกกันได้ชัดนะอันนี้เรี ว, ว่าสองอย่างที่ชื่นานแล้วแล้วต่อไปเรื่องของอารมณ์นึกการเกิดดับของอารมณ์มันจะเป็นไปเองตรงนี้เราไปแยกมันไม่ได้มันจะแยกของมันเองครับซึ่งในลนะําดับนั้นโดยมากอารมณ์ที่เกิดเองจะเป็นจังหวะที่ เหมือนกับเผลอรหรือว่าเราผ่อนคลายนะครับเวลามองมองภาพท้องฟ้ามองภาพทุ่งนาอย่างเงี้ยครับมั น, น, น, เ, ปนเป็นตัวนามรูปไม่ใช่ตัวเกิดดับตัวนามรูปที่มันเกิดกับจิตคือความคิดนี่นะที่เราเห็นมองภาพแล้วก็เกิดความชอบไม่ชอบรูปที่เผลอรูที่เพลินตรงเนี้ยเรามักจะตามแยกไม่ทันเราเข้าไปในความคิดนั้นแต่พอเราได้สติ่็เราคิดไปปับ๊บเราก็ต้องมาตั้งสติ แยกกันให้ออกว่าเอาตัวรู้ชัดๆคืออย่างนี้แล้วก็จะเห็นตัวนะมันแยกไปแต่ถ้าเราตามรู้ตรงไม่ทันกเกิดเกลื่นะไปเลยเราก็เข้าไปในความคิดซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเดิืน่ะมันสองภาคมันกลายเป็นอันเดียวกันแต่ว่างตัวรู้กับตัวคิดมันถูกตัวคิดยึงไปตัวรู้ก็หมดกําลังแต่พอเราตันสติไปก็มาเพิ่มตัวรู้ให้มีกําลังขึ้นตัวคิดก็แย่ ค่อยเบาลงหรือหายไปครับตรงนี้ในขั้นตอนนี้คือพี่เชียนต้องไปฝึกในขั้นตอนนี้ครับแต่ในเวลาฝึกส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีมีความคิดก็เป็นความคิดปกติที่เรารู้เหมือนกับมอีอีกคนหนึ่งพูดกับเราอย่างนี้นะก็รู้รู้ส่วนใหญ่ก็จะรู้เป็นกลางเฉยๆไปตลอดการปฏิบัติแต่ตัวรู้ตัวไหนเป็นตัวรู้ อันนี้ยังยังแยกไม่ออกนะครับนี่ต้องเป็นปอาการตลอแล้วถึงจะแยกออกถ้าเราอยู่ดูอาการไม่บ อ, อกว่าตัวขณะที่เราคิดเรานั่งปฏิบัติไปเนี่ยเราสังเกตมันก็ามาเรื่อยๆนะแต่เราสังเกตมันโดยถ้ามันรู้เฉยๆเป็นยังไงถ้ามีความคิดเข้ามาอาการที่คิดเป็นยังไงเราฝึกสังเกตตรงนี้บ่อยๆมันถึงจ ะ, ะชํนานาญนะถ้าหากว่าตรงนี้ไม่ชํนานาญแล้วตัว พระรูปนามตัวนามพวกคนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนจิตสื่อเป็นสองตัวนี้ก่อนครับ้น ต, ตอนนี้นะเพราะนั้นไปฝึกในการว่ามีความคิดมีตลอดเดีด๋ยวนั่นเองนะทีนี้สังเกตให้ดี ว, ว่าเวลาไมีคิดมันหนักหลวงปู่บอกเวลาไม่คิดจิตของเราเรู้สึกยงหนะัก บ, บางครั้งไม่ได้ออกมาเป็นตัวคิดแต่เป็นตัวรู้สึกพอใจชอบใจไม่ชอบใจ เอาความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจบ ต, ตัวรู้เฉยๆตัวไหนเป็นตัวหนงตัวไหนเป็นตั ว, ต ว, ตวบอในกันตอนนี่นะครับถ้าเไ ป, เ ป, เปชี้วนวัต ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะครั้งแรกที่ปฏิบัติในรูปของวิปัสสนานะคะเพราะว่าโยมติดสมถะมาสิบกว่าปีแล้วก็เป็นโอกาสอันดี ที่ได้มาเรียนรู้รูปนามชัดเจนอันนี้วันแรกอาการที่พบก็คือนิวร น, นิวรแทรกตลอดจนเกิดอาการของจิตขึ้นมาคือว่างุดหงิดในช่วงเย็ น, นะคะ่ะก็เปลี่ยนอริยาบทเปลี่ยนสถานที่มานั่งที่โ ล, ลงฐานเนี้ยนะคะ ท, ที่ที่นั่งรับประทานอาหาร ก็รู้สึกดีขึ้นทีนี้รูปของอาการของรูปเวทนาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มันไปพันกับอาการของจิตทำให้เกิดอารมณ์บ่อยๆคือตั้งใจมากเกินไปเพราะตั้งใจมากก็จะเกิดความรู้สึกว่าทำไม ถึงทำไม่ได้ก็มีโมหะท่นนี้อาการของจิตที่เริ่มขึ้นในทุกๆขณะที่สมมติว่าเราไปเดินจงกรมอาการของจิตก็จะบอกเราว่าเนี่ยเวทนาตรงนั้นต้องระงับและบำบัดให้ได้ตามที่หลวงพ่อสอนนะคะก็ได้เป็นบางส่วนบางขณะ หลวงพ่อก็สอนให้อยู่กับปัจจุบันอีกตอนนี้พอพิจารณาในช่วงของเดินจงกรมนะวันที่สองนะคะก็ไปเดินที่ดินดูว่าธาตุดินเนี้มันเป็นอย่างไรก็ได้ค้นพบว่ากายเราเนี้ยก็คือเพียงธาตุสี่ที่มาอยู่อาศัยอยู่เราอาศัยเขาอยู่ชั่วคราว ก็คงจะจะต้องละทิ้งในที่สุดก็จเจริญสติไปจเจริญสติไปนามรูปก็ปรากฏขึ้นมาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราก็มีความรู้สึกว่านามรูปชัดขึ้นแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงกันชัดเจนว่าระหว่างรูปกับนามเนี่ยจะตัดสินใจยังไง น ะ, ะก็อีกวันหนึ่งต่อมาก็นิวรนหายไปหมดเลยแต่การที่ปฏิบัติในเรื่องของเวทนาก็ยังติดในจิตอยู่ว่าสุขภาพของตนเองเนี้ยไม่ค่อยสมบูรณ์คือมีโรคหกเจ็ดโรคเนียเราจะขจัดโดยวิธีนี้น่าจะมีประโยชน์ ก็เลยตั้งเจตนาให้กับตนว่าหลังจากนี้ต่อไปก็จะพยายามมาศึกษาเรื่องของรูปนามนามรูปให้เป็นวิปัสสนาไม่ใช่ติดสมถะเหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าตอนก่อนนี้ก็ชอบที่จะเป็นลนักษณะตามครูบาอาจารย์คือพิจารณาในการหลับตานั่งสมาธินานๆนนเพ่งกะสิน ลมปราณอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะสอนรูปประชานสี่ก็วันในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอพระคุณที่หลวงพ่อเมตตาให้ได้มาครั้งแรกค่ะแล้วก็ขอสัญญาว่าจะพยายามศึกษาค้นคว้าแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนทุก ป, ประการเจ้าค่ะในบางตัว ใ, ใหญ่จะให้เข้าใจเรื่องลูปน้ำพอ่อหลวงพ่อมันเป็นต้นตอที่จะนําไปสู่ความเข้าใจด้านอื่นนะ เพ่ไอ้ตัวรูปนามเนี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องง่ายที่สุดละในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี่คือเมื่อไหร่จะให้รู้รู้จะพิจารณาอะไรมากเป็นอาการของรูปกับความรู้สึกที่เกิดกับรูปให้จำนานคือคือมันรู้แล้วแหะแต่ว่าเราจะรู้ให้ชานารู้ให้ตัวเนื่องได้อย่างไรตรงหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติแต่เรารู้ปักปแป๊บู้กระลึงไปลูบกระลึงไปลักษณะนี้ เรามันมันอยู่ลักษณะที่เป็นสัญญามันยังไม่เป็นปัญญายังไม่เป็นตัวรู้นะเป็นสัญญาเดี๋ยวก็ก็ดับไปเดี๋ยวก็ลืมไปเพราะในตัวนี้เราจะทำไงให้มันรูบ่อยๆอาการแต่ไม่ถึงกับเพ่งนะเพียงแต่ให้สังเกตไปเรื่อยๆที่คนจริงมันไม่ยากนะแต่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเห็นมันเป็นเรื่องสําคัญอะไรเราไม่ได้น ค, ความสําคัญ ม็มุติอาจจะง่ายไปแต่ในเรื่องของวิปัสสนาตองเริมต้นสังเกตสองตัวนี้ให้ชัดเพราะสองตัวนี้ไม่ชัดเราจะไปเรีนรู้ความคิดกับความรู้สึกก็ยากป้องไวแต่ที่เรามาซักซ้อมอยู่ที่ อ, า, อารมณ์ลูกน้ำเพื่อให้สติตัวนี้มันมีความคมชัดและไวพอที่จะไปรู้ทันทีว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าหากว่าตัวรู้ สติที่ในรูปในนามในการเคลื่อนไหวที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราไม่ยอมตอกย้ําเขาไปเรื่อกับความคิดเรนพิจารณาเรื่องโน้นเรื่อ ง, งนี้มันมันข้ามขั้นตอนไปแต่ในวิธีการท่องพุทธเหวี่ยเนี่ยต้องการให้ภาวะที่รู้ที่สัมผัสได้ไม่ใช่ภาวะที่สับจได้นะเพราะจำเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมแต่ภาวะที่สัมผัสเนี่ยมันไม่ลืมนะแต่ทีนี้จะให้จิตของเราเดี๋ยมาสังเกตมาจดจ่อมาทํา ควารู้สึกกับตัวรู้กับตัวอาการของกายที่มันเป็นตัวอาการอาการเย็นก้อนอ่อนแข็งขึ้ซึ่งปรากฏอยู่แล้วแต่เวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเรามักจะมองข้ามเพราะเราส่วนใหญ่เราไปติ้งหรอจิตปริ้งด้ดวความสงบซึ่งมันเป็นการาข้ามฐานรู้ที่เป็นปัญญานี้ไปถึงจะไปรู้อย่างนั้นเดี๋ยวก็ลืมหมดเวลาความคิดความอารณามณ์ตา่ตางๆเข้ามามันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ พราะตัวรู้ของเราที่จะเข้าไปจัการเนี่ยมันไม่พอนนเพราะฉะนั้นตัวรู้จะต้องมาตอกย้อมกับการสังเกตความทุกข์ความไม่สบายในกายเนี่ยคือรู้ตัวคือรู้ว่ากายรูปกายเนี่ยที่มันไปทุกข์อยู่อั น, นิจ้จำทุกขังทํางานตลอดเวลาทีนี้เราจะทําำไงให้มารู้อันนี้จำทุกขังหน้าตาของรูปเนี่ยให้ชัดซะก่อนอย่าเพิ่งเลยไปถึงคืออย่าไปตอกย้อมเลยเล ย, เลยไปถึงความคิด ที่เป็นนามารูปมันมันไวเกินกว่าที่เราจะไปดูเพราะสติที่ในการรู้กายและรู้ความรู้สึกของกายยังไม่พอหลายคนที่ที่ไม่ไปสู่อิปัสสนาแล้ก็ทําใจตรงนี้ไม่ได้ทำให้ mm hmm. เป็นเรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องอยากเลยเลยใช่ไหมตัวนั่งระเย็นดอนออกแข็งตึงอะไรเนี้ยมันมีอยู่ตลอดแต่ว่าจิตของเราจะมาจุดจอ่อมาสังเกตที่ น, นานๆเนี่ยมันไม่พอส่วนใหญ่จะแวบไป ความพี้แต่งประมที่มากระทบเพราะนั้นไม่มีทางอื่นเลยจะต้องมาตั้งต้นนะตัวนี้ถ้าเราตั้งต้นตัวนี้ไม่ได้เนี่ยการเรียนวิปสัสนาเนี่ยจะเดินต่อไปไม่ได้มันจะเป็นสมถะไปหมดเลยแล้วก็เป็นสมถะนมันจะแก้ปัญหาขั้นละเอยียดของมันก็ได้แต่ใส่ที่จะไปขุไปไปดไปทับไปโอนไปทุนซึ่งมันในที่สุดแล้วมันก็ไปถึงขั้นวิกฤตจริงจริงจิตนู้นเราก็ไปเราไปช่วยไไม่ได้เลยเพราะมันมีตัว แต่หาวัฒนที่ที่หนักที่มันแน่นด้วยนะแต่อีตัวเนี้ยตัวรู้สึกตัวที่เราซัำผ่านได้เนี่ยมันจะเข้าไปเหมือนกับเอาน้ําใสไปได้น้ำขุนทําสิ่งที่ความอย่างบางยึดที่มันเข้มข้นเหมือนน้าที่มันขุนขัดที่ในเราจะไปไล่ออกเนี้ยเราก็ต้องเติมน้ําตัวเนี้ยคือความรู้สึกตัวเฉยๆเน้ยเข้าไปเรื่อยๆก่อนจนกระทั่งตัวนั้นมันเฉอยยากแล้มันจะไปแยกว่าอันนี้เป็นน้าใสเป็นน้ําขุนเอออันี้เป็นความคิด อันนี้เป็นจูรู้นะจ น, น, น, นแยกเนีเ่ยต้องแยกน้ําไปขี้ดมหัให้ได้เห็นรูป ก, กับน้ํานี่น ะ, ะความรู้สึกตัวมันน้ําแต่ความหนาแน่นของเวทนาต่างๆมันขี้ดมเนี่ยมันจะยาวต้องแยกตัวนี้ให้ชัดก่อนพอเป็นน้ํารนะูปน่ยมันไม่ใช่ขี้ดมแลเป็นน้ําขุ่นๆปนๆกันอยู่แยกน้ําขุ่นกับน้าําใสี่ยากกว่าแยกขี้ดมออกจากน้านะใช่ไหมขี้ดมน้ำมันยังปิดก้อนไขยก้อนมันแยกได้ง่ายกว่า เพราะนั right ập, er ot, learn, ้นตัวเวทนาต่างๆที่มันหนักหน่วงความเจ็บปวดเย็นก็ต้องแข็เท่งตึงมันมันคข้อมีใหญ่ในกายเราหนักบ้างบอกว่าแค่แต่ระเวลาเรวก็มาฝึกซ้อมตัวตัวนี้ให้ชํานาญก่อนอันนี้วิธีที่จะให้เกิดรู้จักระดับน่ะถ้าเราไม่ตอกย้ำอยู่นี้ยากะเรียนไปนานเท่าไหร่มันขึ้นไม่ไปไหนต้องตั้งตั้งศรัทธาให้ดีในเรื่องนี้นะถ้าใครชอบให้มาชน้อง อาจารย์คะยังไงสมถานี้เป็นเอื้อวิปัสนาแต่ว่าก็มันจะคนลักษณะคือมันจะหนักแต่วิปัสนาจะโล่งโปร่งเบาสบายเพรฉะนั้นต้องพัฒนาใช่ไหมจค่มีความโปร่งเบาสบายและแก้ไขไม่กดไม่ับไม่บังคับไม่เกร็งค่ะไม่เก็งัอย่างสมถะบางทีตัวแข็งเป็นสามชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็ไม่ได้ประโยชน์การบังคับการกด เ<ค>อแล้วมันก็ลืมไป ล, <ะ>ลก็ลืมไปะ น, นาเกิดมากขึ้นอ๋อเจ้าค่ะซัก็จะมาเอื้อวิปัสนาเจ้าค่ะเพราะโลมเาเป็นเหตุกห้เกิดปัญญาใช่ไหัณ่อ ง, งเป็นเหตุให้เกิดมฆะ ว, วิปัสนาเป็นอารมณ์ที่นุ่มนวลนะคะนุ่มนวลแล้วกเรสบายเจ้าค่ะรืองพยายามสมที่เอื้อตัวนครับขอบพระคุณค่ะกราบนมสการหลวงพ่อประสงค์และกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะ าการปฏิบัติครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ก็ปฏิบัติกับหลวงพ่อวันแรกที่หลวงพ่อมาถึงก็จะสังเกตเห็นว่าตัวเองถูกหลวงพ่อทักตลอดอ้อนั่งฟังหลวงพ่อแสดงธรรมแล้วจะง่วงมากเลยง่วงชนิดที่ว่าไม่รู้เรื่องเลยอจ้ะค่ะแต่หลังจากวันที่หลวงพ่อมาถึงแล้วเอเริ่มปฏิบัติ ก็พยายามแก้ไขความง่วงคอยดูว่าเราจะเผออย่างไรแล้วก็ตั้งรับก็สามารถที่จะแก้ไขตัวง่วงไปได้การเจริญสติก็เป็นไปด้วยความโปร่งเบาสบายรู้ว่าความคิดแวบมาความคิดหายไป รู้ว่าความคิดปรุงยาวสั้นค่ะเวลาเดินจงกรมก็ทราบถึงความตึงความหนักความเบาของเท้าอันนี้ก็เป็นมาด้วยดีตลอดแต่พอมาถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ อ, อนิจจังก็แสดงให้เห็นว่าเกิด การตึงการเครียดการตึงเกิดขึ้นนะค ะ, ะก็พยายามแก้ไขเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้ฝึกเรื่องของสมถะหรือสมาธิอะไรแต่ว่าเป็นคนที่บางครั้งตั้งใจเกินไปนะคะ่ะก็ทําให้อาจจะเพ่งเกินไปทําให้มึนศีรษะก็พยายามที่จะแก้ไขตัวเอง โดยการบริหารกายบริหารกายเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ไปเดินเดินโดยที่ว่าผ่อนคลายค่ะก็ฮ อ, อแก้ได้บ้างแต่ก็ยังตึงอยู่จนกระทั่งถึงตอนเย็นก็ก็ยังตึงอยู่แต่เมื่อคืนนี้ก่อนจะนอนก็ได้ บริหารร่างกายก็หลับได้ค่ะก็เช้านี้ก็ยังมีอาการตึงนิดๆอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อมาออกกำลังกายลังกายด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะทในนีสลับกันไปนะเจ้าค่ะเพราะอาการเป็นเป็นร่องอารมณ์เดิมเป็นสมราเดิมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่บําเายที่จะช่วยมาจริงๆเนี่ยมันก็จะตกไปร่องตรงนั้นแหละ การที่เราพยายามบัดขวายแก้ไขตัวเองด้วยการผ่อนการคลายการตึงอย่างที่เรารู้ตัวมันก็จะไม่เข้าไปร่องนะั้นแต่ว่าถ้าเรามีความเพลินระดับหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวเข้าไปสู่ร่องอารมณ์เดิมคือสมถะนันมันก็จะตึงขึ้นมาโดยเราไม่รู้ตัวได้อย่างนั้นังนั้นต้องสังเกตแต่ละเวลาเสังเกตความหนักความเบาความผ่อนคลายความตึงถนะ้าสังเกตทีขึ้นยิ่งภาวนาในช่วง ย, ยาวๆนี่นะ ก็ยางปรับแก้แต่ถ้ามันก็คือเราไปนิ่งแล้วไปดูอารมณ์เดิมเข้าไปสู่ทุนปุ๊บเลยมันยอมมายากะไรทีนี้อันนั้นวิธีแก้เปนอย่างที่ว่าเลยคือภาสใจกันออกลมใจมหายใจแล้วก็ผ่อนคลายนี่นะเพาะนัเขาว่าเรือากเรียนอยกุมสัตว์ไปสักข้า ก, ก่อนเจ้าค่ะแล้วก็หน่วบริหารด้วาายยุคครั้งย่ปๆมา เราเี้เขาช่วยด้วยีซีมันมันอ่อนก็ทําให้อีซีแข็งขึ้นเจ้าค่ะอารมณ์มันก็จะค่อยคลายออกมาจากตัวตัวที่หลงเข้าไปนะเจ้าค่ะการที่มันตึงมันเครียดเหนไหมเพมันมันไหลเขไปเยอะโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยแต่ว่ามันเข้าไปในเนิ้ดน่ะพอเราลุกมันตึงเอามันมันหมันหนักนะไปแล้วเพรนั้นอีการใสังเกตและแก้ไขบ่อยๆแก้ไขได้ระดับหนึ่งเจ้าค่ะแต่ก็ไม่ได้ฝึกสมาธินะคะ ไม่ได้ฝึกสมาธิอะไรการเนโยคสร้างจังหวะเนี่ยถ้าการอารมณ์ไปที่นิ่งแล้วก็เยเนี่ยนะมันก็ไปสู่ไปสู่สมาธิอยู่โดยอัตโนมัติของมันอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะการยกมือก็ได้ว่าเราอาจจะแบบยกแบบเพ่งเกิดไปลักษณะของการยกก็คือพลิกแล้วก็ตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องตามใช่หมคะยาให้เป็นจังหวะสหรับคนที่ สมถะยังไ่เข evet. okay. so ้มแข็งเนี่ยนะค่ะทำแบบนั้นแต่คนที่สมถะเข้มแข็งนี้แล้วเนี่ยอยากเน้นการเดินมากกว่าการนั่งอ๋อเดินมากกว่าการนั่งเดิมากกวนั่งแล้เคยทำสมถะมาแล้วถ้าหาว่านั่งนานเนี่ยอาการสมถะที่มันมีของเดิมอยู่แล้วนะเจ้าค่ะประไหลส่เข้ามันก็จะมันจะหนักขึ้นไปหนันเลเข้าไปง่ายๆเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นคนแตไม่ใช่ว่าจะทำเมันกันทุกคนรู้ว่าฐานสมถะขอใครที่มีมาก่อน ก็ีไปทาตัวรู้ีเบสบายยเวลาเดินจงกรมก็รู้สึกสบายคะสบายคลายเจ้าค่ะเจ้าค่ะเราไปไปย่เดกราบน้ำรสการหลวงพ่อพระหมอสมาเนรนะคะและกาลยานมีทุก แม่ชีทั้งสองท่น า, านกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะก็จากการปฏิบัติในครั้งนี้อันนี้เป็นครั้งที่สองที่เข้าร่วม อ, อ, อบรมนะคะในโครงการเจริญสตินะคะซึ่งทั้งที่ตัวเองไม่มีประสบการณ์ทั้งสมถะวิปัสสนา พยายามจะนั่งสมาธิหลายครั้งก็ทําไม่เป็นแต่พอครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าได้ฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็ฝึกปฏิบัติก็รู้สึกว่ามีการพัฒนาขึ้นบ้างนะคะจากการที่ได้ปฏิบัติในครั้งนี้วันที่สามซึ่งเป็นวันแรกที่ยังที่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังก็มีความรู้สึกว่ามีศรัทธาและความมุ่งมันที่จะ ทำสมาธินะคะภาวนาก็ทำทำตั้งใจทำไม่ง่วงนะคะตาลืมตลอดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยใจอยู่ที่การเคลื่อนของจังหวะมือทำไปทำมาเอ๊ะทำไมรู้สึกตัวเองจะต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆรู้สึกว่าปวดเมื่อยอึดอัด บ่อยครั้งมากเลยก็ยังคิดคิดไม่ออกแต่ก็มีความเพียรทําทั้งวั น, นะคะ่ะกลางคืนก็มาถามหลวงพ่อว่านี่ทําไมเปลี่ยนท่ารู้สึกรู้สึกอืมเวทนาบ่อยมากแล้วก็เปลี่ยนท่าบ่อยไม่ใช่แล้วเพราะว่าฟังจากที่หลวงพ่อเทศว่าถ้าถ้าไม่สบายเนี่ยแสดงว่า ยังไม่ค่อยถูกวิธีก็มาเล่าให้ฟังในคืนนั้นที่มันไม่ใช่ปัปญหาแต่ว่าคือคือหลวงพ่อก็บอกก็ใช่แล้วอ่ะแก้ก็รู้รู้สึกอ่ะรู้สึกว่ามันปวดเมื่อยอึดอัดก็แก้โดยการเปลี่ยนท่าก็ถูกแล้วแต่มันบ่อยครั้งก็ไปทบทวนดู ว, ว่าอ๋อจำได้อีกอย่างว่าถ้าถ้ามันอึดอัดอันเนี้ย คือจําได้ว่าท่านบอกว่าถ้าถ้าไม่สบายแสดงว่าไม่ใช่ก็เรามาคิดว่าที่เราทำเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นมากเกินไปต ค, ค่ะคืเอเขาดูที่ว่าอาการไม่สบายของกายนีย่ไม่ก้าวล่วงไปสู่จิตนี่จิตมันทนไม่ได้นะค่ะถ้ากายเนี่ยคือการเนี่เราปรับได้ แต่ว่าจิตเนี่ยเขาเขารับลูกไปเป็นความหรืออาจความไม่พอใจไหมนั่นหมายความว่าแม้แต่เบาก็ถือว่าเกินแล้วพ่อเลยพ่อรูอาการของจิตทั้งหมดทั้งปวดความรู้สึกที่เราแยกออกให้ตัวอาการตัวรู้ของเราเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันอาการสบายหรือไม่สบายของจิตเนี่ยของกายนี่นะมันไปก่อให้อาการของจิตคือความพอใจไม่พอใจในสบายไม่สบายอันนั้นดูอาการนนั้นด้วยที่ว่ามันเกิน แต่ถ้าหากว่ายังโฟกัสหรือสกัดตัวความรู้สึกสบายไม่สบายอยู่ที่กายได้อยู่มันจะหนักมันจะเบาขนาดไหนไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าว่าหนักหรือเบไม่ไม่ค่อยมากก็ตามแต่ว่าจิตของเราไปไปมีปฏิยาคือไปชอบหรือไม่ชอบอาการนั้นถือว่าเป็นตัวปัญหาละตัวที่นี้แยกประเด็นให้ชัดนะค่ะไม่ใช่ว่าความหนักหน่วงทับเป็นความทุขส่วนลงไปไม่ใช่แต่ว่าใจของเราเนี่ย ไปรับรู้แยกออกชัดไหมใจยังอยู่มันรู้มันเฉยๆได้ไหมใจไปรับรู้ค่ะใจไปรับรู้เรื่องที่ว่าเกินนะต้องปรับต้องรับกลับมารู้ชัดๆที่กายอันนี้เป็นนามรูปใช่ไหมะคือต้องการที่จะความรู้สึกในตัวเนี่ยที่เรียกว่ารูปนามไมาให้มันเกินข้ามไปสู่ในตัวของนามรูปแต่เราห้ามมันไว้เพราะถ้าเกินเข้าไปแต่การถอนตัวออกมาจากความพอใจไม่ค่อใจที่เกิดกับรูปเข้าใจนี่นะออกมาอยูกับกายได้ไหม ตัวนี้ที่ความพยายามที่เราเพียรเพีย่ยเอยู่นี้นีใน่ในในเบื้องต้นที่เรือของน้รูปนะถาคะแค่นี้ า, าตรงนี้ได้ชานาญได้สาเร็จอเอาาอ่อาม ร, รูปนมามกะเพราะอันนี้เป็นอะอารุ ป, ประจาตลอดเลยเพะเข้าใจใ น, ในช่วงนี้ได้นะวันนั้นเราไปสมต่อที่บ้านกันเลย <laughs> ก็พอวันรุ่งขึ้นก็มีความมุ่งมั่นอีกว่า คือคือมีศรัทธาว่าเออเราต้องต้องทำให้ได้ก็แต่ว่ารู้จุดละหละว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเกิดจากการที่เราตึงเกินไปนะคะพอวันที่สองเนี่ยก็ฟังพระอาจารย์เทศก็จับประเด็นมาว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำอย่างผ่อนคลายแล้วก็สบายสบายไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตึงเกินไป มองซื่ อ, อไปวันนี้ก็ไม่ง่วงค่ะไม่รู้สึกง่วงแล้วไม่มีความคิดอะไรแว บ, บเข้ามาเลยเพราะว่ามีความพยายามอยากจะทำให้สำเร็จทั้งวันสึกว่าอินซีก็พร้อมด้วยเติมอินซีตัวเองพร้อมหมดก็จะมีอความรู้สึกอึดอัดก็เจ็บเขา่า เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายข้างขวาก็การเจ็บเนี่ยน้อยลงกว่าวันที่แล้วมาแล้วก็การเปลี่ยนท่าก็น้อยลงพอพอรู้สึกเมื่อยมากก็ออกกายบริหารแบบทำท่าให้หย่อนลงแล้วก็ปฏิบัติต่อจังหวะมือต่อทำจนคิดว่าผมไม่ไหวแล้ว เต็มที่แล้วก็ลุกขึ้นไปเดินสมาธิระหว่างเดินสมาธิก็พอใจในการเดินสมาธิเพราะว่ารู้สึกว่าอ่อนแข็งอุ่นเยน็นความรู้สึกสัมผัสขึ้นมาก็มีความคิดอย่างอื่นก็แว บ, บเข้ามาเป็นบางช่วงก็รู้สึกว่ามีความคิดแว บ, บเข้ามาก็พยายามกำจัดออกไป พอเดินสักพักหนึ่งก็มานั่งจังบะมือต่อวันนี้วันที่สองนี้ก็รู้สึกพอใจในการที่ตัวเองปฏิบัติรู้สึกถึงความพุกเวทนาของร่างกายที่เรานั่งทําแล้วเรารู้ว่าอ๋อตอนนี้นั่งเพลินไปแล้วนะก็ตั้งหลังให้ตรงรู้ตลอดเวลาทั้งวันนะคะแต่ยังไม่มีความสึกของอารมณ์สบาย แต่วันนี้ถึงจะผ่อนคลายก็เมื่อยกลับไปเมื่อยทั้งตัวเพราะว่าพยายามทำทั้งวันนะคะพอวันที่สามวันที่สามของการปฏิบัติอย่างจริงจังคือเป็นวันที่เก็บอารมณ์ก็ไปนั่งที่ศาลาซึ่งศาลาตรงนี้จะเป็น เ, เป็นสถานที่สบายะสงบ ก็ไม่สงบเท่าไหร่แต่ว่าส ป, ปายะในด้านของคือคือคือเหมาะที่จะนั่งภาวนานะคะแล้วเป็นวันที่ฝนตกด้วยฝนตกสภาพอากาศดีจึงก็มีเตรียมเบาะเตรียมเก้าอี้ไปนั่งก็ระหว่างภาวนาก็จะรับรู้ถึงอาการของเวทนาทางกาย เป็นระยะก็รู้สึกได้ก็เปลี่ยนท่าแต่ทำอย่างผ่อนคลายสบายๆนะคะบางทีก็นั่งที่เบาะบางทีก็ไปนั่งที่เก้าอี้แต่พอนั่งที่เก้าอี้เนี่ยมันจะมีอาการของการง่วงนิดๆทั้งที่สองวันก่อนไม่ง่วงเลยมีอาการง่วงก็ก็รับรู้ว่าตัวเองง่วงนะคะก็ จากนั่งพิงก็ไปนั่งหลังตรงแล้วก็ทำทาผ่อนคลายไม่ตึงนะคะก็จะมอง ซ, อซื้อแบบท่านหลงพ่อเทียนนะคะแต่แบบท่านที่ที่ดูเทปนะคะว่ามอง ซ, อซื้อไม่ได้รับอะไรแต่พอนั่งไปนั่งมาทำปฏิบัติไปก็มองเห็นเงาของต้นไม้ในน้ำสวยงามมากไปติดอารมณ์ตรงนั้นก็ แต่ว่ายังสติยังอยู่ที่การเคลื่อนจังหวะมือก็มองมองเพลินไปจนกระทั่งท่านอาจารย์พระอาจารย์มาสอบอารมณ์ตรงนี้ตรงนี้ถึงถึงจะทราบว่าอ๋ออันนี้แนะ่ไม่ใช่มองซื่อหละเราไปไปมีความรู้สึกกับธรรมชาติที่สวยงามเกินไป พอวันรุ่งขึ้นที่ปฏิบัตินะะอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สี่ก็ปฏิบัติที่ศาลาเดิมเก็บอารมณ์ต่ออันนี้กำจัดถึงจะคือคื อ, อทุกอย่างก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนะคะรับรู้ถึงเวทนาง่วงไม่ง่วงนะคะสบายก็ปรับแก้ไม่ง่วง ผ่อนคลายนะคะความคิดอย่งอนก็แวบมากำจัดไปออกได้แต่พอวันนี้ไม่สนใจธรรมชาติคือมองก็รับรู้ว่าสวยแล้วก็ละจากความสวยมาอยู่ที่ตัวมีสติรูป้ปฏิบัติเพียรต่อก็คิดว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติมาได้ไกลระดับนี้ก็คือรู้สึกว่าต่างจากครั้งที่แล้วมากนะ ก็คิดว่าจะมีความเพียรต่อแล้วจะไปทำที่บ้านจํทำที่บ้านต่อเนื่องให้มีสติที่สะสมแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นจะได้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆถ้ามีปัญหาเข้ามานะคะอย่างยังไม่หันความเตนะือนควเตือนยังเกิดยังก็ยังแยกไชด ดนอาการตัเครนี้รัหนาที่เนี่ยท่านเจ้าท่พยายามลกให้ทำเพราะับหน้านนที่ไม่ทันีมันพร้อมที่จะไปเป็นตัวนิวร์หตัวอะไรต่างเป็นตัวเขาเรียกว่าสารตั้งต้นของเกววลืออะไรหน้าที่เนี่ยเจ้าเนี่ยนักมาวให้ลัหนาที่ซึ่งในชีวิตของผู้ครอบเดือนเนี่ยเราสุงเสริมให้เกิดหน้าที่ใช่ไหมแต่ว่าระหว่าง ตัวรู้สึกปร่งเบาสบายที่เป็นปีติกำลังที่มั่ต่างพอความรู้สึกปร่งเบาสบายที่เป็นปีติมันมีความตื่นตัวมีสติสัมผัสเป็นตัวประครองแต่ตัวนั่งที่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในความรู้สึกสบายรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบนะ่ยมันจะเข้าไปอยู่ในนะั้นมันก็ทําให้เราไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นดันที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอยู่เหมือนกับว่าสบายแต่มันก็รู้ยากตัวเลือกเข้าไปในมัน ตรง น, นี้ต้องไ ป, ไปสังเกตบ่อยๆนะเพราะนั้นตัวเวทนานาะยมรู้วิธีแค่แล้วว่าตัวทุกเวทนาของกายนีย่มันก็จะบำบัดได้ง่ายกว่าคมมันชัดแต่รู้สึกสบายด้วยตัวนั้นที่มันละเอียดมันรู้ยากเพราะนั้นพยายามใส่ใจสังเกตก็รู้สึกสบายจากการที่ไม่ต้องนั่งพับเพียบนั่งเก้าอี้นั่งเก้า อ, อ, อ, อี้แล้วก็มีพนักพิงแต่ก็รับรู้ว่าสบายเกินแล้วตอนนี้เริ่มง่วงแหละก็รู้สึกตัวนะคะ ก็นั่งไม่พิ ง, น, ง, งนั่งปฏิบัติตอนั่งปฏิบัติมางไม่นนั่งเก้าอี้เพราะะเพราะปฏิบัตินัปฏิบัติที่ยังยังไม่เข้มแข็งเนี่ยถ้านั่ ง, ทท ง, งเก้าอี้เนี่ททยมันแยกตัวตึงแต่บสบายไ่ออกเพราะนั <Okay. S 2> ้นนะอย่างน้อยก็บอกว่านั่งอย่านั่งพิงนั่งขึ้นก้นยายบมาข้างหน้าพอเ้นอย่างนั้นแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าพอปฏิบัติเสร็จเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยก็จะรู้สึก ผ่อนคลายปลอดโปรง่งสบายสบายไม่ไม่มีความรู้สึกเมื่อยล้าแบบสองวันแรกที่ปฏิบัติคะ่ะขบวนกาส่ตวนะกล่านมัสการหลวงพ่อพระพิสุทธสามเณรแล้วก็คุณแม่ชีแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านคะ่ะการปฏิบัติในช่วงสองวันแรกพอดีปวดฟันแต่ก็คือปฏิบัติรวมกลุ่มแล้วก็ฟังที่หลวงพ่อสอน แล้วปฏิบัติตามพอช่วงวันที่สวันที่สามหลวงพ่อก็แนะนาให้ดูช่วงชาาหลวงพ่อก็จะเทศแล้วก็แนะนาให้ดูหนักเบาก็ดูอาการช่วงที่เดินจงกรมเนี่ยก็จะกำหนดรู้อยู่ที่อาการที่เท้าแตะพื้นเพราะมันชัดแล้วพอเดินไปเดินมามันก็จะหนักก็แก้โดยการกำหนดตรงช่วงที่เท้ายก ขึ้นมาแล้วมันก็จะเบาแล้วก็ก็มันก็สมดุลแล้วช่วงวันที่สามวันที่สี่ก็ก็คือมันก็ไม่มีความคิดแล้วก็ไม่มีความง่วงเพราะว่าดูอาการที่หลวงพ่อแนะนำวันที่สามหลวงพ่อให้ดูหนักเบาวันที่สี่หลวงพ่อก็ให้ดูเรื่องของความสบายสบายกับไม่สบายก็ดูดูดูตามที่หลวงพ่อแนะ แต่ว่ามันก็จะมีเหมือนว่าเราอาจจะเพ่งไปหรือเปล่ามันก็เลยมีอาการมึนอึนอยู่ในหัวแล้วก็หลวงพ่อก็เลยแนะนำในช่วงทำวัดเย็นว่าหลังจากทำวัดเย็นเสร็จก็คือให้ผ่อนคลายสูดหายใจเข้าแล้วก็บีมืออะไรเงี้ยค่ะพอตอนแรกตัวเองก็เหมือนมันตื่นตัวมากเหมือนจะนอนไม่หลับแต่พอไปผ่อนคลายปฏิบัติตามมัน ก, ก็หลับได้แต่ว่าหลับ หลับไม่นานมันก็ตื่นตื่นเร็วเร็วขึ้นมากแล้วก็คือจิตมันก็ตื่นแล้วมันก็ไม่นอนต่อแล้วพอพอวันที่สี่เนี้ยวันที่ห้าเก็บอารมณ์หลวพ่อให้เก็บอารมณ์ทีนี้พอวันที่เก็บอารมณ์ตอนที่ปฏิบัติรวมกลุ่มทั้งช่วงทาวัดหรือว่าทำวัดเชาทำวัดเย็นอยู่ในกลุ่มนี้ก็ก็คือว่ามันก็ไม่ไม่มีความรู้สึกตัวดีมาก แล้วพอไปเก็บอารมณ์เนี่ยก่อนจะเริ่มเก็บอารมณ์ตัวเองก็อธิษฐานว่าอยากจะขอให้มีสติตั้งมั่นแล้วก็เราให้เหมือนกับได้มีดวงตาเห็นธรรมอะไรเงี้ยอยากได้นู่นถึงได้นี่โลกทีนี้มันก็เลยพอเริ่มปุ๊บมันก็เลยเริ่มมีความคิดแล้วเริ่มเดินจงกรมความคิดก็เริ่มเข้ามาแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่าคือพวก ที่มันมันจะทำให้เกิดนิวรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเราก็เหมือนกับไม่อยากให้มันเกิดอะค่ะตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้มันเกิดสิ่งพวกนี้แต่ว่าในส่วนของความง่วงเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าแก้ไขได้เพราะตอนที่ช่วงที่ปฏิบัติรวมกลุ่มเนี่ยเราก็ผ่านความง่วงมาได้เพราะช่วงที่หลวงพ่อให้ดูเวทนามันก็จะ เหมือนกับว่ามีอะไรมาผลักเราช่วงที่เรามีสติตั้งมัน่นมีสมาธิเนี่ยเหมือนมีอะไรมาผลักล้าความง่วงมันก็หายไปแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องความง่วงก็คื อ, อมันจะมาที่อาการทางตาก่อนพอตามันหนักๆปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมาแล้วเราก็กระพริบตานิดเดียวมันก็ไปแล้วหรือว่าสูดหายใจเข้าลึกๆสักครั้งสองครั้งมันมันก็มันก็ไม่มีปัญหาแล้ว อันนี้คือเราจะรู้สัญญาณมันก่อนในตัวตัวของความง่วงส่วนเรื่องเวทนาเรื่องความปวดเมื่อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันเพราะว่าหลวงพ่อก็ให้ดูเวทนาไปเรื่อยๆมันก็ดูได้ทั้งทั้งตั้งแต่หัวจลลดเท้าอย่างที่หลวงพ่อบอกมันก็เลยแบบไ ม, ไม่ไม่มีความรู้สึกว่ามีปัญหาเพราะเราก็ปรับแก้ไปเรื่อยเรื่แล้วก็เรากม็มีสามารถอยู่กับมันได้อะคะ่ะทีนี้เราเราอะไม่อยากได้ตัวความคิด มันมันเหมือนมันต่อต้านก็เลยเอ๊ะเราจะป้องกันมันยังไงความม่วงป้องกันได้ละแต่ความคิดเราจะป้องกันมันยังไงให้รู้เพราเพราะเราเพลอแล้วเราจะคิดทีนี้เราก็มาดูมันมันต้องแสดงออกก่อนในอาการทางกายแล้วก็มาสำรวจมันก็มาแสดงออกทางตาว่าตาเราจะลอยๆยหน่อยแสดงว่าเราจะเริ่มคิดแล้วอาจจะตาไปซ้ายไปขวามันคิดไปอดีตไปอนาคตอะไรอย่างเงี้ย ล้วเราเราจะมาแก้ไขยังไงอ่ะเราเราจะมารู้ได้งไงว่าตาเราลอยแล้วเพราะมันสังเกตยากมากตาหนักนี้ยังสังเกตง่ายทียนี้ก็เลยเ อ, อ๋อหรือว่าเราไปอะไรกับมันมากก็เลยเออช่างมันเถอะคิดก็คิดพอเราปล่อยตรงนั้นมันก็มันก็ดีขึ้นอาการของความคิดมันก็ลดน้อยลงในช่วงเช้าที่เก็บอารมณ์ก็เลยก็ปฏิบัติได้ไม่มีปัญหาอะไรพอช่วงบ่าย ตัวเองมีมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของระบบขับถ่ายคือพอตัวหลังหลังอาหารกลางวันเนี่ยมันอาหารใหม่มันเข้าไปแล้วกระเพาะมันก็ย่อยแต่อาหารเก่าอ่ะมันไม่ได้เอาออกมันก็เลยดันกันถ้านั่งปฏิบัติแล้วมันทรมานมากก็พยายามช่วงแรกก็จะเดินเดินก่อนเดินมันก็เบามันก็อึดอัดน้อย แต่ว่ามันก็จะมีอาการของการมึนๆเหมือนเหมือนคนแบบเมาเมาในหัวแล้วก็ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมัน